ตัวกฎหรือตัวสภาวะของปฏิจจสมุปบาทข้อที่6ความหมายในชีวิตประจำวันคำอธิบายที่ผ่านมาแล้วนั้นเรียกว่าคำอธิบายตามแบบโดยความหมายว่าเป็นคำอธิบายที่มีในคำพีอัธกถาต่างๆและนิยมยึดถือกันสืบมาจะเห็นได้ว่าคำอธิบายแบบนั้นมุ่งแสดงในแง่สังสารวัตร คือการเวียนไหวตายเกิดข้ามชาติข้ามภพให้เห็นความต่อเนื่องกันของชีวิตในชาติสามชาติคืออดีตปัจจุบันและอนาคตและได้จัดวางรูปคําอธิบายจนดูเป็นระบบมีแบบแผนแน่นอนตายตัวผู้ไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจกับคําอธิบายแบบนั้นและต้องการอธิบายตามความหมายที่เป็นไปอยู่ทุกขณะในชีวิตประจําวันนอกจากจะสามารถอ้างคําอธิบายในคำภีรอภิธรรม ที่แสดงปฏิจจสมุปบาทตลอดสายในขณะจิตเดียวแล้วยังสามารถตีความพุทธพจน์ข้อเดียวกันกับที่ฝ่ายอธิบายตามแบบได้ใช้อ้างอิงนั่นเองให้เป็นไปตามความเห็นฝ่ายตนได้นอกจากนั้นยังสามารถอ้างเหตุผลและหลักฐานในคร์อย่างอื่นๆเป็นเครื่องยืนยันความเห็นฝ่ายตนให้หนักแน่นยิ่งขึ้นไปอีกได้ด้วยคําอธิบายแบบนี้มีความหมายที่น่าสนใจพิเศษเฉพาะตัวจึงแยกมาตั้งเป็นหัวข้ออันหนึ่งต่างหาก เหตุผลที่อ้างได้ในการอธิบายแบบนี้มีหลายอย่างเช่นว่าการดับทุกข์และอยู่อย่างไม่มีทุกข์ของพระอระหันต์เป็นเรื่องที่เป็นไปอยู่ตั้งแต่ชีวิตปัจจุบันนี้แล้วไม่ต้องรอให้สิ้นชีวิตเสียก่อนจึงจะไม่มีชาติใหม่ไม่มีชะรามรณะแล้วจึงไม่มีโสกปริเทวะทุกโหมนัตอุปาญาตในอนาคตชาติแต่โสกปริเทวะเป็นต้นนั้นไม่มีตั้งแต่ชาติปัจจุบันนี้แล้ว วงจรของปฏิจจสมุปาต์ในการเกิดทุกข์หรือดับทุกขก็ดีจึงเป็นเรื่องของชีวิตที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันนี้เองครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ต้องไปค้นหาในชาติก่อนหรือรอไปดูชาติหน้านอกจากนั้นเมื่อเข้าใจวงจรที่เป็นไปอยู่ในชีวิตปัจจุบันดีแล้วก็ย่อมเข้าใจวงจรในอดีตและวงจรในอนาคตไปด้วยเพราะเป็นเรื่องอย่างเดียวกันนั่นเองในด้านพุทธพจน์ ก็อาจอ้างพุทธดำรัสต์ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคือในจูลส ก, กุลุทายิสูตรมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัญ น, นาตพระพุทธเจ้าได้ตรัส ก, กับส ก, กุลุทายีปริพาชคว่าดูกระอุทายีผู้ใดระลึกขันที่เคยอยู่มาก่อนได้ต่างๆมากมายผู้นั้นจึงควรถามปัญหากับเราในเรื่องหนหลังคือชาติก่อนหรือเราจึงควรถามปัญหาในเรื่องหนหลังกับผู้นั้น ผู้นั้นจึงจะทําให้เราถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่องหนหลังหรือเราจึงจะทําให้ผู้นั้นถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่องหนหลัง ผ, ผู้ใดเห็นสัตว์ทั้งหลายทั้งที่จุติอยู่ทั้งที่อุบัติอยู่ด้วยทิพย จ, ยจักษุผู้นั้นจึงควรถามปัญหากับเราในเรื่องหนหน้าหรือชาติหน้าหรือว่าเราจึงควรถามปัญหาในเรื่องหนหน้ากับผู้นั้น ผู้นั้นจึงจะทำให้เราถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่องหนหน้าหรือเราจึงจะทำให้ผู้นั้นถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่องหนหน้าก็แลอุทายีเรื่องหนก่อนหรือชาติก่อนก็งดไว้เถิดเรื่องหนหน้าหรือชาติหน้าก็งดไว้เถิดเราจักแสดงธรรมแก่ท่านเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิด เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับในคันฑะพระกสูตรสังยุตติกายสลาญตนาวัรคมีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะอุรุเวลกัปปะนิคมของมลรคกษัตริย์ครั้งนั้นในบ้านชื่อคันฑะพักนั่งลงณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดแสดงความอุไทยและความอัสดงแห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าแน่ท่านในบ้านถ้าเราแสดงความเกิดขึ้นและความอัสดรแห่งทุกข์แก่ท่านโดยอ้างการส่วนอดีตว่าในอดีตการได้มีแล้วอย่างนี้ความสงสัยเคลือบแคลงในข้อนั้นก็จะมีแก่ท่านได้ ถ้าเราแสดงความเกิดขึ้นและความอัสดงแห่งทุกแก่ท่านโดยอ้างการส่วนอนาคตว่าในอนาคตการจากเป็นอย่างนี้ความสงสัยความเคลือบแคลงก็จะมีแก่ท่านแม้ในข้อนั้นได้อีกก็แลท่านไหนบ้านเรานั่งอยู่ที่นี่แหละจกแสดงความเกิดขึ้นและความอัสดงแห่งทุกแก่ท่านผู้นั่งอยู่ณที่นี้เหมือนกันในสิวะักะสูตร สังยุตตนิกายสลายตนาวัตโมลิยศสิวกะปริพาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่ามีสมณพราหมพวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ได้เสวยสุขทุกหรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึง่งสุขทุกหรืออะทุกขมสุขทั้งมวลนั้นมีการกระทำไว้ในปางก่อนเป็นเหตุก็ในข้อนี้ท่านพระโคดมตรัสอย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูกระสิวกะเวทนาบางอย่างเกิดขึ้นมีดีเป็นสมุดฐานก็มีมีเสมหะเป็นสมุดฐานก็มีมีลมเป็นสมุดฐานก็มีมีการประชุมแห่งเหตุเป็นสมุดฐานก็มีเกิดจากความแปรปรวนแห่งอุตุก็มีเกิดจากบริหารตนไม่สม่ำเสมอก็มีเกิดจากถูกทำร้ายก็มี เกิดจากผลกรรมก็มีข้อที่เวทนาเกิดขึ้นโดยมีสิ่งที่กล่าวมาแล้วเป็นสมุดฐานเป็นเรื่องที่รู้ได้ด้วยตนทั้งชาวโลกก็รู้กันทั่วว่าเป็นความจริงอย่างนั้นในเรื่องนั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดมีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเวทนาทั้งหมดนั้น เป็นเพราะกรรมที่กระทำไว้ในปางก่อนสมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าแล่นไปไกลเกินสิ่งที่รู้กันได้ด้วยตนแล่นไปไกลเกินสิ่งที่ชาวโลกเขารู้กันทั่วว่าเป็นความจริงฉะนั้นเรากล่าวว่าเป็นความผิดของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเองในเจตนาสูตรที่หนึ่งสังยุตติกายนิธานวัตพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายบุคคลจงใจกําหนดจดจอ่อครุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อให้วิญญาณดํารงอยู่เมื่ออารมณ์มีอยู่วิญญาณก็มีที่อาศัยเมื่อวิญญาณตั้งมั่นแล้วเมื่อวิญญาณเจริญขึ้นแล้วการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปจึงมีเมื่อการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปมีอยู่ชาติจรา มรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมานต์อุปายาตจึงมีต่อไปความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้อย่างนี้ความหมายของปฏิจจสมุปบาทตามแนวนี้แม้จะต้องทําความเข้าใจเป็นพิเศษก็ไม่ทิ้งความหมายเดิมที่อธิบายตามแบบดังนั้นก่อนอ่านความหมายที่จะกล่าวต่อไปจึงควรทําความเข้าใจความหมายตามแบบที่กล่าวมาแล้วเสียก่อน เพื่อวางพื้นฐานความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบต่อไป